ันนี้จะเทศถึงเรื่องชีวิตมันลุกลนไปทุกวันวันคืนสี่เดืเอนเจากัดชีวิตของเราเป็นไปที่จริงชีวิตของคนเรามีทุกคนแล้วแหละจะลืมไปบางคนตั้งอายุสาสิบสี่สิบห้าสิบแล้วเกิดลืมจิตถึงอายุของตน โดยความประมานิดของตนที่เป็นมานั้นไม่ทราบว่าเป็นมา <c oughs> เป็นมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรไม่คิดนึกเลยมีแต่หลงเพ้อเพลินมัวเมาเดือดความเป็นหนุ่มของตนเดือดความเป็นสาวของตนเดือดความไม่แก่เถ่า ใน้นวดจะไม่แก่เห้นวาจะไม่ตายสองกระจกะก็ส่องบนแต่รูปสวยๆงามๆทัานที่มันหุบมันแหวก็ไม่เห็นไม่เอา <c oughs> ความเพลิดเพลินมัวเมาเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ลืมโลกชีวิตเป็นยุคของเราน่าเสียดาย วันคืนล่วงไปกี่เดือนล่วงไปมันกัดก่อนชีวิตของเราให้หมดสิ้นไปควรที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาทดแทนชีวิตของเรานันไปมันเป็นธรรมดาของชีวิตจะ ต, ต้องเสื่อม ส, สูญไปเป็นธรรมดาแต่ว่าหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทดแทนไว ก็เป็นที่อุ่นใจบ้างท่านเทศนาว่ า, อาโอรัสตามาชินิชินดิสัง <c oughs> ชีวิตตังกุปุตชติกุณฑธีดานิโวดะกังทันพูดตัวอย่างนี้วันคืนร่วงไปร่วงไป <c oughs> ชีวิตมันหมดไปตามหมดไปโดยไม่รู้ตัวอย่างเรามันนั่งอยู่ที่นี่มันหลายชั่วโมงแล้วชีวิตหมดไปหมดไปเราไม่รู้ตัวเลยนั่งตรงมองอยู่เฉยๆที่ชีวิตหมดไปชีวิตหมดไปแล้วไม่รู้ตัว ท่านก็มาเปรียบเหมือนกับน้ําน้อยในรอยโคน้าน้อยในรอยโคท่านว่ า, างั้นถูกแสงเสด็จแสงแดดมันได้ย่ยอมหมดไปหายไปในดูตัวอันนั้นอย่างหนึ่งท่านนั้นเห็นได้ยากเพราะมันหลายวี่หลายวันกลัวจะหมดไป ถ้าดมาเสียบมันก็หยดน้ำที่ตกในบัวถูกแสงวัทถิต์แล้วไม่ถึงไม่พม้นวันหมดเสื่อมศูนย์ไปการหมดนั่นมันไม่ได้ปรากฏแกตาของเราต่อเมื่อใจมันหมดแล้วยังจะรู้สึกตัวดวงมาเสียแคนั้นเหมือนกัน แล้วเกิดมาเป็นคนแก่แต่เป็นเด็กย่างที่ใยฝั่งแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องมันแก่ช้าลมัโดยลําดับถ้าไม่แก่มันก็ไม่คลอดออกมามันเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กกัเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็แก่ไปโดยลําดับเปลี่ยนสภาพไปโดยลําดับ ยังไม่รู้ตัวนิ่งขนาด16 17 18ยิงยย่งหมูเมาใหญ่ตกไม่เคยนึกคิดถึงเลยแล้ตอนจะต้องตายในขณนดที่ไม่ได้คิดนั่นแหละบางทีเกิดพรทธเหตุตายคุกเดียวไม่รู้ตัวเลยตนรถควาง ตกน้ำตกต้นไม้เกิดพิบัติต่างๆหายวบ่นเลยกระทั่งแก่เท่าชารากลัวจะหายความโมเมาเหล่านั้นเมื่อมาเจร่ามาเตือนเมื่อน่ะมาเตือนโดนแล้วเจ้ารู้ตัว ลุกก็ยากนั่งก็ยากนอนก็ยากการอยู่การกินสารบัตทุกอย่างเป็นการยากมดจึงค่อยรู้ตัวแต่รู้ตัวแล้วก็หาได้คิดเจรนาทังภายในตัวองเราไหมหาไจ้วิธีจะแก้ไขหาอะไรไปหยุดยาหาอะไรมาสบาัต หาใดมารักษาไม่ค่อยหายดีๆหามาถึงหมอเองก็เหมือนกันรักษาคนอื่นก็พอใส่ชั่วคู่ชั่วขณะนาน่นตัวหมอเองก็ชำรุดทรุดโทรมไปโดยลำดับหมดวันหมดคืนหมดปีหมดเดือนเหมือนกัน <c oughs> ในคนที่สุดเลยดับของเก่า ตายคนเก่าแล้วเนี่ยในระยะที่ยังหลงมงเมาอยู่จะห า, าวิธีที่จะแก้ความแก่ความเทาั้นไม่มีพระพุทธเจ้าทาเทศนาว่าอันทาาที่แก้ความแก่ความเทาความตายมังอยู่ทาง การทำความสงบใจไม่ได้ตายสงบนิ่งแนวอยังไม่ได้ตายกายนี่ตายไปแตกสลายไปเป็นดินน้ำไปลมไปจิดนีไม่ได้ตายถ้ายังมีกิเลสจะตามได้ไปก่อร่างอื่นอีกจิตนั้นมันเหมือนกันกับ เหมือนกับไอ้ที่เขาเรียกว่าหอยทอยู่กลางหยืนริมทะเลหอยเซส่วนน่ะออกจากล่างนี้ไปเข้าล่างนูน้นออกจากล่างล่างนู้นไปเข้าล่างน้นถ้าเขานางเก่าของเขาที่มันมีตัวน่ะแต่จิตไม่เด้ มันยังแตกต่างเข้าไปส่วนนั้นอีกมไม่ใช่ไปไปเข่าล่า ง, ขงเขาเฉยไปก่อควบก่อชาติโตขึ้นมาโอ้โหตั้งเขเดือนสิบเดืองนงส่วนหอยเซี๊ยส่วนนั้นไม่เป็นอะไรเลยมันต่เข่าร่างเก่าเขาแล้วก็อาศัยร่างเก่าก็ใช่การใจจะ ก, ก่อดมันไม่ช่าวันนี้มันจะหนี้ไปเข่าร่างอื่นอีก ทั้งทั้งหากที่เละอย่างนี้คือตราบใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละไห้เส้นสวนไปเข้าร่างเก่าของเก่าของเข า, ขเขามันก็กระตุกกระต่ากันั่นแหละอไม่ว่ อ, อะไรไรหรอกทนทุกข์ทรมานเรื่อนั้นล้าไปคนเราท่าอย่างนี้ที่เละนี่มันก็ทนทุกข์ทรมาน โดยการเกิดการแก่การเจ็บการตายจะเริ่มล้ำไปแล้วองค์นี้ว่าผู้ที่จะพ้นจากความเกิดแก่จะตายคือใจนี่ใจมันยยเข้าถึงใจทาไมพูดถึงเรื่องใจเยอะจัมไม่มีคิดมีนึกจะมีความรู้สึกอยู่แต่นั้นก็ยังไม่พ้นหรอก ต่อเมื่อได้มีปัญญารอบรู้จริสเป็นคนนะในการที่ไม่คิ ด, มดนะไม่แสบในลักษณะอาการเช่นนั้นเนะี่ยเรียกว่าคงที่ตานิท่านาคงที่ตาที่เทหนาคงที่ิที่คงที่ไม่มีไปมีมานั่นจิตรโคตรจะตาย อ า, า, าการไมเห่ป้องกันความตายคืออย่างนี้ผู้ที่มัวเมาประมาททั้งหลายเนี่ยไม่คิดถึงความตายอย่างอธิบายมานล้วถ้ า, าคิดถึงความตายคิดถึงความตายในเดือดร้อนไปทุกเขาว่ากันมันก็ทุกเลยสิคนไม่อยากตายมันกรทุกเลยสิ มันอยากเก็บอยากใคร่มันก็ทุกข์เลยทีมาเห็นสัมภาพาเป็นจริงตายนี้เกิดมาใช่จึงว่าสุขได้ตายนี้ใช่จึงว่าเป็นสุขเ่ะทุกข์ทุกข์ทุกถามทุกประเภทเกิดมามนู่นจัดต้นได้ทุกทั้งนั้นให้เห็นตามเป็นจริงวะ น, นั่นน่ะ มันทุกข์ก็เห็นตา ม, มจริงอะไรงี้จิตมันก็ น, นิ่งเห็นของทุกข์พระพุทธเจ้าตัณเทศธนาว่าทุกข์เป็นของอาลัยจักถ้าไม่มีทุกข์มันจะมีอาลัยจักรหรือทุกข์เป็นของผลกําหนดเราได้กําหนดแล้วพระพุทธเจ้าตัณเทศธนาไง ถ้าไม่มีทุกมันไม่ไมคบอริยรสัจสี่สิมันจะมีสมุทัยยังไงมันจะมีหนุมากยังไงได้มันต้องมีทรกรุกข์นะสิเมื่อมีทุกข์ยังสาวหาต้นเหตุของทุ ก, ทกข์คือความคิดของนึกความปรุ ง, งความแต่งมันยังคงบอกทุกข์อย่างนี้มันยังคงเกิอดอย่างนี้การรู้คือชอบ ทำชอบทำถูกต้องเรียกว่าสมาธิเดินทางจะไปถึงนิวต์คือความดับทุกข์ปฏิบัติจะไร้ปฏิบัติอันนี้หละตัวของเรานี่ะปฏิบัติกายวาจานี่แหละปฏิบัติใจนีน่แหละในที่เรา มีเจตีอยู่เสมอทุกเมื่อนะรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อ น, ะอ น, นั่นแหละปฏิบัติถูกแล้วนะเห็นความคิดของเาตัวนึก ด, ดีคิดตัวที่ดดยก่าเสี่อายอะไรต่างรู้อยู่อย่างนะั้นอันนั้นมันไม่ถูกคิดชั่วไม่ถูกคิดดีไมถูกก็ห้ามได้ความชั่วด้านห้ามตัวชั่วด้านเรียกว่าตัวสมุทยัยไม่ให้เกิดต้องมีได้ทางดีทาง ดี้งเว้นมากนั่นแหะทางจะไปให้ถึงในโลกที่ความดับทุกข์ผู้มีสติต้องพิจารณาอย่างนี้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นทุกข์ทั้งหลายอยู่ในโลกว่าตาต้องสารเป็นของน่าเบือ่อได้แล้วใจมันสลบสั่งที่จะไปตัวตายไร เป็นเป็นสภาพธรรมดาของเราเป็นอยื้ออย่างนั้นผู้มีสติพิจารณาอยู่อย่างไม่ตลอดตัวไดยคือว่าหาเอาทางป้องกันตายคนที่จะไม่ตายต้องดำเนินตามแบบนี้ การพิจารณาความตายยังว่าถึงที่สุดของกรรมฐานถ้าพิจารณาความตายใช้ไม่สรดสังเว้แล้วก็หมดเพราะนั้นเนี่ยกรรมฐานจะมีอะไรหรอกเอาล่ะตอนนั้นให้พิจารณา ความตายได้อธิบายมาแล้วมาแลน่นนางมาตานางพิจารณาออกมาแลน่นาาลนงเป็นอารมณ์คือไม่จิตส่งไปภายนอกถ้ามันอยู่เฉพาะอารมณ์อันเดียวถ้ามันอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวมาตานางมาตังอยู่กันนั่นฮะมันออกมันส่งออกไปกับ เด็กเมื่อเข้ามาอยู่ในอารมณ์นันเดียวมาดหนังมาดานังอยู่คำโนดเจชนาอยู่อันเดียวนั่นแหละคนที่ว่ามาะหนังใครเป็นคนว่ามาดานังคำโนดเอาผู้ผู้ที่รู้เอาวะผู้ที่ว่ามาดานังคือผู้ที่กําหนดออกมาดานังคำโนดเอาผู้นั้นให้ได้ พิจารณาดึงความตายอันนี้เรียกว่าเอาเอาอย่างใกล้ๆพิจารณาถึงมรณะผู้ว่างมรณะนะเอาพิจารณาคนใกล้ๆนี่แหละนั่นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั่นมรณงพิจารณาว่าหนังอะไรมันตายตายเนี่ยมันแตกมันตายมันสีายมันดับศูนยไปพิจารณาเลยมันตายผมนั่นคือตายคนเด็กฝนหนังอั่นคืมันตาย เจ้านาเป็นคิดเปนอันไปโดยลาดับหรือพี่เรจรณาแตส่วนใสวนใส่วนหนึ่งก็ได้มาดานังไม่ใช่ว่ามาดานังเฉยๆพี่นาไปพร้อมไปพร้อมกับคนตายแล้วเนะ้นตายจะเป็นอะไรมันก็เป็นดินน้ำไผ่ลมถ้าใครเป็นคนว่ามาดานังกังกนวดเอาผู้ว่าขานี้ น, นั้นก็นวางเสียที่อัลูกมันวางเสียนั่นเหลือที่กูว่ามาแล้วนะจิตนั่นนันเหลือที่กูเดียร์ละกันนี้มันจะรวมผู้ว่าเข้าไปชนิดขนมเข้าไปหน้าดีไม่มีอาการภายนอกเข้าไปอยู่ภายในคนเดียว ทิศขณะนั่นเนะเรียกว่ามันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาภูมิของใจพบของใจนี่ท่านเรียกว่าพอวางคือพบของใจพบของใจยังมีอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นวายมันจะยั ง, งสงสัยอยู่ภายใ น, นอีกมากมายเยอะแยะทีเดียวการดักชำระำกันอีก ทำนาจข้ารวเบญเก่านี่แหละใช้ส่งใช้ใวุ่นใช้ไหวใช้ปุงใช้แต่งจนเห็นผู้ที่ปุงแต่งผู้ที่วุ่นวายแล้วก็จ่าประตัวผู้เห็นนั่นแหะผู้ที่ไปเห็นด้วยปรุงไปแต่งผู้วุ่นวายนะั่นก็หายไปอีกรวงเข้าไปอีกเป็นผวาอีก กานเป็นผวังอย่างนี้ทั้งนี้นั้นค่อยละเอียดเข้าไปหน่อยเนี่ยมันยังฟุ้งแต่งอีกอยู่ก็คิดก็พิดจะนยยัยนั้นเหมือนกันจนกระทั่งมันไม่ฟุงไม่มแต่งมันอยู่เฉออยเรื่เท่าู้เรื่องของขมเฉย อ, อยู่ตลอดเวลา อันนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกนะล่ะมันไม่สนุกมันปรุงมันแต่งไม่สนุกคือคนเรามันเคยคิดจะแล้วเกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกมันที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันไม่ชอบการที่รู้เท่ารู้เล่ามันก็ไม่ชอบอีกแล้ว มันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ชอบใจมันเป็นนิสัยของคนมนะันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมดาของคนถราต้องเป็นอย่างนั้นแหะเป็นอย่างจริงจังมัเป็นอย่างนั้นแล้วค่ถ้ามันสนิทสนมเขาไปปรุงแต่งแตนไหนชอบใจจึงจะให้ละตรนนั้นอีกพิจารณาควกคุมคู้แต่งกูคิดพู่นึกนั่นอีก จรมละถอนมาเมื่อเราอยู่นิ่งนควลมรูอ้อบตัวอยู่สว่างจ้านั่นชอบใหญ่เวลาคูปภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นเวลานี้ยมันจะอยู่ในขั้นใดเป็นยังไงก็อย่าให้ให้มันเป็นซะก่อนแต่อย่าไปห้ามมันมันเป็นไปทุกขั้นทุกจันทุกชั้นเลยนะ ให้เป็นบ่อยๆให้เป็นเสมอมันจึงนคำนี้ํำนานไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วไปรู้เรืรรรร่องหมดทุกอย่างงั้นไม่ถูกหรอกมันเป็นแต่ในสาววัาถกหรือพิดไม่เหมือนร่วงเขาไปแล้วมันรับผอนนั่อีกเอาแต่ความเอาแต่เวลาที่มันรัวมันพูดให้ฟัง เล่าค น, นอื่นฟังมันเป็นงนั้นๆใ น, นเวลานอกนั้นไม่ที่เจไม่ไม่ไมว่าคุณจะฟังความรู้มันต้องรู้ด้วยตนเองเลยมันจะมานคงทาวอนวเพียงแค่ไหนก็ต้องรู้ด้วยตนเองเลยตั้งใจพิจะะารณาอย่างว่าเนี้ย